ท่านที่ฝึกจิตดวงเคยผ่าดผลโลดเต้นเผนพยองลำพองตัวไม่มีขอบเขตด้วยความพยายามไม่ลดละจนยอมตนและกลายเป็นจิตที่เชื่องชินต่อเหตุผลอัตรธรรมด้วยดีแล้วท่านไม่สะทกสถท้านต่อเหตุการณ์ต่างๆที่ใครๆจำต้องเผชิญอยู่เสมออยู่ไหนก็อยู่ได้ไปไหนก็ไปได้ไม่ว่าที่เช่นไรคาว่าป่าว่าเขา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 เพื่อเป็นคนดีมีหลักฐานมั่นคงในปัจจุบันและในอนาคตเป็นสิ่งที่รับถ่ายทอดจากกันได้ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ประกาศธรรมสอนโลกไม่ได้เลยเพราะใครๆไม่สามารถปฏิบัติแบบพระองค์ได้แต่ผู้ยึดหลักธรรมไปปฏิบัติดำเนินตามจนกลายเป็นคนดีเลิศไปตามและเป็นคนดีมีคือมีแปรมาจนถึงพวกเราในวงพุทธบริษัท ยอมเป็นที่ยอมรับกันว่ามีจำนวนมากมายเนื่องจากการปฏิบัติตามท่านแบบลูกศิษย์มีครูการฝึกทรมานจิตด้วยวิธีต่างๆตามแต่ท่านผู้ใดมีความแยบคายในทางใดสำหรับพระทุดงสายของท่านพระอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติกันตลอดมามีได้ทอดทิ้งปฏิปทาท่านอาจารย์ท่านดันเดินจนทุกวันนี้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 ท่านสนทนากันเวลามาพบกันและโอกาสดีๆรู้สึกน่าฟังมากทั้งด้านธรรมะทางใจที่เกิดจากภาคปฏิบัติทั้งการทรมานและวิธีทรมานจิตใจโดยอุบายต่างๆกันทั้งความกล้าความกลัวที่แสดงขึ้นในเวลาต่างๆกันทั้งความทุกข์ลำบากที่เกิดจากการหักโหมกายและทรมานใจในบางการ ซึ่งสำคัญมากก็ด้านธรรมะภายในคือสมาธิและปัญญาที่ต่างองค์ต่างรู้ต่างองค์ต่างเห็นอยู่ในสถานที่ต่างๆกันเวลามาสนทนากันตามภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละองค์ที่รู้เห็นมาทำให้เพลิดเพลินไปตามจนลืมเวลามเวลาและความเหนื่อยต่างๆในบางรายแต่มีน้อย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 หายตนะไม่ทำงานยังเหลือเพียงสักว่ารู้อย่างละเอียดและอศัศจรรย์อย่างยิ่งที่บอกไม่ถูกเท่านั้นนี่ท่านว่าเป็นสมาธิเต็มภูมิและเป็นสมาธิที่สร้างฐานแห่งความมั่นคงให้แก่จิตได้เป็นอย่างดีใจที่ลงสู่ความสงบเต็มที่ดังภูมินี้โดยมากพักอยู่เป็นเวลาห ล, หลายชั่วโมงจึงถอนขึ้นมาบางครั้งถึงสบสองชั่วโมงก็มี บางท่านอาจสงสัยว่าขณะที่จิตอยู่ในสมาธิหลายชั่วโมงในท่านั่งอย่างเดียวมิได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วร่างกายจะไม่เจ็บปวดชอกช้ำไปหรือจึงขอเรียนตามความเป็นของจิตและขันว่าเมื่อจิตเข้าพักและสงบตัวอยู่อย่างเต็มภูมิเช่นนั้นจิตและกายไม่ได้รับความกระเทือนจากสิ่งใดเลย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 จึงทำให้เชื่อมั่นในท่านที่เข้านิโรสมราบัติอยู่ลหลายวันว่าเป็นความจริงทั้งการเข้าอยู่ได้นานทั้งสุขภาพทั้งร่างกายว่าเป็นปกติเช่นเดิมไม่มีอะไรบอบชำ้ำเพราะสมาธิสมาบัติเป็นเครื่องบันทอนหรือทําลายเลยการสนทนาธรรมระหว่างพระธุดงด้วยกันโดยมากท่านสนทนาเรื่องผลของการปฏิบัติตามชั้นภูมิที่ตนรู้เห็นมา และสถานที่บำเพ็ญในที่ต่างๆอันเป็นการถ่ายทอดความรู้ความเห็นทางใจแก่กันและการจริงๆซึ่งเป็นเครื่องระลึกไปนานการสนทนามิได้มีเรื่องโลกสงสารกิจการบ้านเมืองเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องอิจฉาบังเบียดเยียดยามเข้าแฝงเลยมีแต่เรื่องธรรมะปฏิบัติล้วนๆเท่านั้น จะสนทนากันเป็นเวลาช้านานเพียงไรตามความจําเป็นก็เป็นเครื่องพยุงจิตใจผู้ฟังให้ดื่มด่ำทราบซึ้งในธรรมะมากเพียงนั้นรู้สึกเป็นอุดมคติซึ่งน่าจะจัดเข้าในธรรมบทว่ากาเลนะธรรมสักชาเอตัมมังคัลมุตตมังได้เพราะการสนทนาในระหว่างแห่งท่านนักปฏิบัติ ด, ด้วยกัน ท่านมุ่งต่อความรู้จริงเห็นจริงต่อกันจริงๆมีใดมุ่งเพื่ออวดชั้นอวดภูมิอวดรู้อวดฉลาดแม้น้อยเพียงรยเลยจิตคอยรับความจริงด้วยความสนใจจากกันอยู่ทุกขณะที่แต่ละฝ่ายระบายออกมาถ้าฝ่ายใดยังมีบกพร่องในจุดใดก็ยอมรับคำชี้แจงจากอีกฝ่ายหนึ่งที่ภูมิธรรมสูงกว่าด้วยความเคารพเต็มใจจริงๆ การสนทนาก็คือการสอบถามความรู้ความเห็นความเป็นไปของจิตที่เกี่ยวกับสมาธิสมาบัตมรผลนิพพานของกันและกันนั่นเองเมื่อต่างฝ่ายต่างสนิทเชื่อถือคุณสมบัติปฏิปทาของกันและกันอย่างไม่มีเคลือบแคลงสงสัยแล้วยอมสนทนากันได้ด้วยความสนิทใจและเปิดเผยต่อกันในบรรดาธรรมะที่มีอยู่ภายในไม่มีปิดบังลี้ลับไว้เลย ตอนนี้แหลที่นักปฏิบัติมีโอกาสได้รู้ภูมิธรรมของกันและกันได้อย่างชัดเจนว่าท่านผู้นั้นมีภูมิจิตภูมิธรรมอยู่ในขั้นนั้นท่านผู้นั้นมีจิตละเอียดท่านผู้นั้นมีปัญญาสูงท่านผู้นั้น j u นผ่านภพชาติอยู่แล้วและท่านผู้นั้นได้ผ่านภพชาติไปแล้วอย่างสบายหายห่วงส่วนท่านผู้นี้กําลังขี้เกียจอ่อนแอภาวนามีแต่สับปะงก นั่งสมาธิมีแต่หลับในนั่งอยู่ที่ไหนหลับในที่นั้นท่านผู้นี้มีเอตตะทัคะในทางหลับในในวงพระทุดงจึงไม่ควรเข้าใจว่าพระทุดงจะดีไปเสียทุกองแม้ผู้เขียนก็ตัวเก่งเคยหลับในมาแล้วอย่างช่ำชองแต่ไม่อยากอวดตัวท่านผู้นี้จิตกําลังเริ่มสงบ ท่านผู้นี้จิตกําลังเริ่มเป็นสมาธิท่านผู้นี้มีความรู้แปลก ๆ, ลๆเกี่ยวกับสิ่งภายนอกมีเปรตผีเทวดาเป็นต้นท่านผู้นี้ชอบภาวนาทางนั่งท่านผู้นี้ชอบภาวนาทางนอนท่านผู้นี้ชอบทรมานทางยืนมากกว่ายุรยาบทอื่นๆท่านผู้นี้ชอบทรมานตนทางอดนอนท่านผู้นี้ชอบทรมานตนทางผ่อนอาหาร ท่านผู้นี้ชอบทรมานตนทางอดอาหารท่านผู้นี้ชอบทรมานตนด้วยการเข้าป่าหาเสือหาหมีเพื่อเป็นอุบายช่วยความกลัวให้หายด้วยการพิจารณาโดยยึดเอาเสือหมีเป็นเหตุท่านผู้นี้ชอบทรมานด้วยการเดินเที่ยวหาเสือบนภูเขาในเวลาค่ำคืนท่านผู้นี้ชอบต้อนรับแขกลึกลับคือพวกกายทิพย์แต่ท่านผู้นี้ชอบกลัวแต่ผีตเปรด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 ท่านผู้นี้มีนิสัยฉลาดชอบไคร่ครวญไตรตรองด้วยดีก่อนทุกครั้งไม่เชื่อแบบสุ่มเดาเวลาอาจารย์อบรมสั่งสอนจบลงก็มักมีข้อข้องใจเรียนถามปัญหาต่างๆและโตตอบกันเพื่อเหตุเพื่อผลทำให้ผู้อื่นได้รับความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมหลายแง่หลายทางและเป็นอุบายช่วยเสริมสติปัญญาแก่วงปฏิบัติได้ดีเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้สง่างามในวงปฏิบัติ